ขอความสุขความเจริญจงมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูนที่ได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือราศียสูตรซึ่งเป็นชื่อของบุคคลท่านั้นเองคือทรงแสดงแก่ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อวาราศียเป็นการแสดงถึงแนวการดำเนินชีวิตของคนที่ ท, ทรงจำแนกถึง9ก้าประเภทด้วยกัน แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรดาการดำรงชีพของคนระดับหนึ่งนั้นถ้าหากว่าเป็นการเลี้ยงชีพโดยธทรรมโดยไม่ผลินผรันเมื่อได้ทรา์มาแล้วก็เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้เป็นสุขมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นทำบุญแล้วก็ให้ทาน ก็ถือว่าเป็นชีวิตระดับสูงในชั้นหนึ่งสำหรับผู้ครองเรือนคำที่ทรงใช้ในที่นี้ทรงใช้คำว่ากามโควีคือชาวบ้านทั่วไปนั่นเองแต่ว่าในชุดต่อไปนั้นได้ทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคนเราควรจะมีความประณีตสูงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ท่านจะเห็นว่าธรรมะที่ถือว่าสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องของการ ให้ฐานท่านนั้นเองเป็นการสร้างกัญญาณมิตรสร้างมิตรจิตระหว่างชาวบ้านต่อชาวบ้านบาลีท่านใช้คำว่าการเฉลี่ยสุกคือการแบ่งปันเป็นเรื่องอัจารัยเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างผู้ครองเรือนทั่วไปทีนี้ในชั้นต่อไปก็ทรงยกเอาชุดเดิมนั่นเอง แต่ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกว่าถ้าคนที่เป็นเช่นนี้แหละแต่ว่ายังเป็นคนละโมบโลภอยากได้อยู่ยังมีความประทุษร้ายยังมีความหลงขาดปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกก็ยังเป็นผู้ที่ควรติเตียนอยู่คือพูดอีกชั้นหนึ่งนะโอ้พุพูดอีกชั้นหนึ่งก็ยังควรติเตียนอยู่คือหมายความว่าไอ้สามข้อแรก ก็ยกย่องไปแล้วแต่เมื่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ควรติเตียนทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบรรดากิเลสทั้งหลายที่ในที่นี้ก็ทรงยกเอาอากุศลนมูลเรือกุศลกำบนดท3มข้อแรกข้ามาเป็นเครื่องชี้ว่าไอ้สมข้อสุดท้ายว่าเป็นตัวทมให้บุคคลผู้นั้นต้อง ประสบกับคําติเตียนเรื่องของอกูสนดังที่เคยกล่าวมาเงื่อประสูตร์ก่อนหลายสูตรมาแล้วในรู้สึกกในมหากรรมวิพังกระสูตรจะบอกว่าได้แก่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคาหยาพูดส่อเสียพูดเพื่อเจอเหลวไหล ถึงแน่นอนว่าชั้นของการดรํารงชีวิตที่กล่าวแล้วซึ่งเป็นการดรํารงชีวิตโดยธรรมก็คงเว้นอย่างนี้ไปได้แต่ว่าอกุศลอีกสข้ออกุศลกําบดอีกสาข้อคือโลภอยากได้ของของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเพื่อนพร้อมที่จะไปเปลี่ยนแปลงข้างบนได้เช่นเราอาจจะข้างบนอาจจะเป็นกุศลไปแล้ว คือกายกับวาจาเป็นกุศลไปแล้วแต่ใจยังมากไปด้วยกิเลสประเภทที่แรงนะฮะท่านจะเห็นว่าใช้คำมาโลภอยากได้ของของเขาพยาบาทปองไร้เขาเห็นผิดจากทนนองคองธรรมแล้วก็ขาดปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกมันก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างคนเราในส่วนอื่นก็ดีแต่ว่ามากไปด้วยความโลภมากไปด้วยความอิจาริษยามีความทะเยอทะยานอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ในส่วนอื่นก็กดีก็ดีไปแต่ส่วนนี้ก็ทรงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรตําหนิท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันพัฒนาจิตไปแล้วพัฒนาจิตไปเพื่อ ย, ยกระดับจิตขาดกราจิตใจให้เบาบางจากกำนาจของกิเลสต่านั้นและกิเลสแต่และตัวเนี่ยอย่างความโลภก็ทรงแสดงว่าความโลภนี้เป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายความโลภตัวเดียวนะฮะมันก็พร้อมที่จะทำอันตรายอะไรก็ได้ เป็นอันตรายแห่งการประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนตลอดถึงการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นตัวอย่างที่เราพึงเห็นได้ง่ายๆอย่างในกรณีของคนที่ทำบุญก็มีมรรคท า, กายกวัดอยู่คนหนึ่งก็ตายไปนานแล้วของลาวใดไม่ต้องบอกชื่อคืออะไรแกก็ดีหมดนะก็เรียกว่าเรี่งชีวิตโดยธรรมไม่ผรุนผพรน เลีย้ยงมาแล้วก็ได้มาแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขมีอัธยาศาัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำบุญให้ฐานก็เสร็จก็เดินมาได้แต่ว่าพอรับผิดชอบเงินวัดเข้าวไอตอนใหม่ๆก็ดีไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็รักษาเงินวัดแล้เอาไปจัดหาดอกผลเมื่อก่อนเอามาก็บำรุงวัดทั้งหมดแต่ต่อมามันก็เกิดความโลภ เกณฑว่าที่จริงเงินวัดสมมติเงินวัดพันหนึ่งเนี่ยเมื่อไอ้ดอกมันก็มันก็น่าจะเป็นของแกนะเพราะยังไงแกก็ต้องส่งพันธ์อยู่ดีในสุดแกก็อยากยอกดอกเพราะความโลภมันเกิดมันก็ลักษณะของตันหาอย่างที่เคยบอกในกิเลสประเภทตันหาเนี่ยมันโปรโนปวิกาคือมันอยากอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเรื่อยไปพอได้อย่างนี้มันก็อยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้อย่างโน้นอย่างนั้นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดในสุดแกก็ไปโกงเงินวัดนะ ต่อมาผลกรรมก็ประสบ ป, ประสบความวิบัติอย่างแรงมากก็เรียกว่าเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายลงเนี่ยก็เรียกว่าเปรตตาจัน อ, อ, อะไรอ่ะเมียเมียถูกเมียเมียเป็นบ้านะเมียเป็นบ้าลูกสาวหนีตามผู้ชายลูกชายฟ้าผ่าตายแกก็ ที่นาที่เนยก็ถูกเพื่อนโกงไปเงินทองก็หายมันก็ไม่ไม่เชิงบ้าคล้ายๆกับเป็นคนครึ่งคนอ่ะไม่รู้อะไรเลยวัดนั้นแหละวัวดที่ที่แกโกงเงินน่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงไว้ก็อยู้อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้ภาษีภาษาพอตกกลางดึกแล้วส่งเสียงดังคล้ายๆเสียงโหยหวนน่ากลัวมากอยู้อย่างเงี้ยจนตายไปเลยได้กินอุจจาระตัวเองด้วยนะก่อนตายเนี่ยอาหารที่ก็เอาไปให้ก็ไม่ค่อยกินเสร็จแล้วก็กินอุจจาระตัวเอง จนตายไปนี่มั น, ม, น, ม, นมันเกิดมาจากแล้วมันเกิดมาจากโลภเดิดมันจากโลภบางทีตอนตอนตอน้ตนก็ดีๆอยู่ทีนี้บางทีเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดในเรื่องของกรรมมหามหากรรมอวพังกรรันสูตที่พูดเรื่องอาสันตกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะถ้าใจเรายังมีความโลภอยู่เนี่ยอย่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาสอนในภาวนาวอารหังแกฟังเป็นอะไรหาย พอมันโลภจะเป็นหวงทรัพย์ไอเป็นหวงทรัพย์สมบัติของตัวเองท่นมีสมัยมาเป็นเด็กเนี่ยมีมรรคตายกทีิวัดนะเป็นคนแก่ที่ที่เรียกว่าดีมากเลยแกเล่าไปฟังแกโดนมาด้วยตัวแกเองคืออาจารย์ของแกเนี่ยอาจารย์ทางศิลศาสตร์นะฮะต่างพวกเวทมนต์คาถาขับผีอะไรเนี่ยอะไรก็ดีทุกอย่างฮนะแต่คิดเหนียว คิดเดียวพอพอเวลาแกตายเนี่ยแกตายเขาก็เอาไปเผาไปเผามันนอกมันก็ดึงหมอนออกหมอนที่ศพขอนุนะ่ะดึงออกแตเพื่อเผามง่ายหน่อยดึงออกแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็โยนลงไปในคลองอแล้วก็ตาปลอดนี่ยแหละแกไปหยิบมาก็ก็จำได้ว่าเป็นหมอนของอาจารย์แกนันก็หยิบมาหยิบมาก็ ออกหมอนออกฉีกออกแล้วก็ตากันนุ่นแล้วก็เย็บหมอนใสาใหม่ไม่เมียแกยายขวดเป็นเป็นคนไปหยิบมาพอทำหมอนหนุนคืนเดียวนะผีเข้าเลยผีเข้าตาปลอดก็เอาเวทมนต์นั้นแหละเวทมนต์ที่เรียนจากคนตายนะมาเสกพอเสกพอพอจะโพรน้มนต์ยายขวดลุกขึ้นมาเมืองนี่อวดดีมันจะเล่นกูจะเดย <c oughs> ก็พูดไปพูดมาแกก็เล่าไปฟังว่ายายขวดเนี่ยไปเอาหมอนแกมา จะมาทวงหมอนแก่ทวงหมอนแก่คือเนี่ยฮะใจมันโลภมันไปเกาะอยู่ที่หมอนนั้นนั่นเองแต่ที่จะไปให้มันดีๆก็ไม่ไปไปติดอยู่ที่หมอนนี่คือเรื่องของความโลภมันมันมันมันเหนี่ยวพวกอาสัญนกรรมนะฮะกรรมพอจวนจะตายเนี่ยมันมันมกิตมันเหนียวปั๊บเดียวเนี่ยมันหักมุมไปเฉยๆเลยอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระนางมาริกาเทวีให้ฟังอาสัญนกรรมนี่เป็นตัวสําคัญมาก ดันพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องบรรเทาความโลภอีกทีหนึ่งเพราะต้องต้องรับผิด ช, ชอบในพฤติกรรมที่ที่ผ่านมาแล้วนะฮะคือคนเราบางทีมันก็ดีมาตลอดดีมาจนแก่นะฮะมาตกม้าตายตกมาตายดื้อๆนั่นเองเพราะมันเกิดความโลภขึ้นมาก็สอนไปถึงจุดเนี้แล้วก็มีอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนี่ก็เล่าเรื่องนะเนี้ยมันก็ดับจิต ด, ด้วยความโลภพระท่านปลูกอ้อยไว้ อ้ยปลูกอ้อยโตเลยนะลําสวยแล้วก็ท่าป่วยหนักก็คิดว่าจะฉันอ้อยอย่งไม่ได้ฉันพอนนอนก่อนจะดับจิตเนี่ยมันาอยากจะฉันอ้อยก่อนจะดับจิตกงนึกอยากจะฉันอ้อยเสียดายอ้อยอยากจะฉันอ้อยเสียดายอ้อยอยากฉันอ้อยเสียดายอ้อยพราดับจิตจริงๆแทนที่จะไปเกิดดี่ไปเกิดเป็นหนอนอย่างไรอ้อยเกิดเป็นหนอนอย่างไรอ้อยนี่คืออะไรคือเกิดจากโลก โลกพระองค์หนึ่งนั้นเย็บจีวรนะครสร้างจีวรใหม่ทำจีวรใหม่เมื่อก่อนก็ทําจีวรเป็นพิธีดีตองนะฮะแล้วก็เย็บจีวรเสร็จแต่พี่สาวเป็นเจ้าภาพให้ท่านก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะคงออกจากป่าไงไฉันเพลินไปอาหารไม่ย่อยแล้วเกิดลมเป็นพิษขึ้นมาแล้ท่านกมอมรภาพแต่ก่มอมนภาพนั้นคืออยากจขคมจีวรใหม่ไม่ได้คมหรอก จีบอลเย็บแล้วย้อมแล้วซักแล้วตากเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ขมก็เกิด อ, อยากจะผมจีวอเคิดมาก็ดับจิตไปก็ตายไปเกิดเป็นเลนจีวอลเลยตกเป็นของสงฆ์เพราะว่าคือของพระเราเนี่ยมันตกเป็นของสงฆ์นะครับใครจะรวยยังไงก็ตามจะตกเป็นของสงฆ์นอกจากว่าท่านแอบไปทำพินจกรรมไว้พระจะเอาจีวอลมาแบ่งฮะ พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยประญานห้ามแบ่งเบลอรออีกเจ็ดวันทั้งแบ่งภิกษุก็สงสัยว่าทาไมตั้งห้ามแบ่งเพราะว่าคราวก่อนนั้นแบ่งกันได้นะก็พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี้ยแกเกิดไปตายปเป็นเลนวิ่งวิ่งอยู่ในจีวรนะพอพระจะแบ่งยวมแ ก, กวิ่งใหญ่เลยหวงวิ่งอยู่ในนั้นนะครพระพุทธเจ้าท่านมีทิปจักรสุทิพเนตธทิพกัร น, นะฮะท่านก็รู้เลยก็รับสั่ง อยาให้แบ่งแต่ว่าจิตมันเหนียวคือว่ากุส่ธรรมท่านแยะเนี่มันเหนียวไปไปไปนิดเดียวนั่นเองพอครบเจดวันก็เล่นก็ตายก็บังเกิดในสุคติก็ให้แบ่งจีวรแต่ตัวสถานการณ์เนี่มันแปลนะมันแปลมากเลยหรืออย่างอะไรในเรื่องนางสามาว ด, ดีที่ท่านเคยได้เรียนนะเรื่องนายเอ๋โกตูฮลิกนะฮะโกตูฮลิกที่ต่อมาที่มาเกิดเป็นโคศกเศรษฐีนะ ในเรื่องนางสามารถวดีอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะจิตมันเหนียวเหนียวด้วยความอยากก็คือก็คือความโลภนั่นเองแกเดินทางมันที่บ้านเมืองแกมันเกิดตัวพิกระพยแล้วก็เดินทางกับเมียกับลูกสามคนพอดีมันมาถึงมันก็สะเบียงะเสบืงองหมดหมดไอ้ต่างคนต่างสองคนมันก็เดินก็นไม่ค่อยไหวแล้วผัวนั่นบอกก็ทิ้งลูกเหรอเราไปหาลูกเอาใหม่เมียไม่ ย, ยอม เมียก็ขออุ้มเองก็อุ้มเองก็หมดแรงอีกไลก็ส่งให้ผัวอุ้มผัวก็เดินก็หมดแรงพอปล่อยให้เมียเดินมาข้างหน้าเปลอกเป่าก็วางลูกให้นอนอใต้พุ่มไม้คือแกแกแกแกอุ้มไม่ไหวอนะ่ะอุ้มไม่ไหวในที่สุดก็ไปอะไปไปถึงบ้านนายโคบาลแห่งหนึ่งกิวข้าวครัก็เห็นหมาที่นายโคบาลก็เลี้ยงไว้เนี่ยแล้วก็มีพระพระปฏิเจกาพุทธเจ้ามาฉันที่บ้าน าอาหารเหลือทัานก็ให้ในายครบาลก็าให้มาครุกน้ํานมอย่างดีหมากินนี่แกก็นั่งนึกแม่เรานี่เป็นต่างคนรูปหมาไม่ได้อดข้าวต่างหลายวันแล้วหมาจะได้กินข้าวดีๆจะให้มันก็กระวัดรแม่หมานี่มันดีพอนาโครบาลเลี้ยงอาหารเนี่ยเมียก็เป็นห่วงผัวเพราะผัวแย่มากตัวเองไม่ยอมกินนะเมียเนี่ยไม่ยอมกินก็ให้ผัวกินไอ้ผัวก็มันอยู่ข้าวมานานกินได้เต็มที่เลยก็ตายเหมือนกันแต่ว่าใจมันก็กนึกถึงหมาอยู่เนี่ยนะ นึกถึงหมาที่ว่ามันดีกว่าแกนะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์กว่าแกแล้วก็ตายไปเกิดในท้องก็หมาดื้อๆแล้วก็ในที่สุดมันก็เปลี่ยนพรเปลี่ยนชาติก็จากหมาก็ไปเป็นเทพบุษจากเทพบุษก็มาเกิดเป็นโคศกเศรษฐีนี่เป็นเรื่องที่รับสั่งเล่าทีหลังคือเล่าเมื่อตอนตอนเป็นโคศกเศรษฐีแล้วนะครก็เล่าย้อนไปให้ดูถึงว่าไอ้ น, นี่ยจิตมันมันมันเป็นเหนียวเอาก่อนจะตายนิดเดียเองอะ่ะเออ เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าถ้ายัางโลภอยู่เนี่ยโลภจัดนะโลภจัดแบบโลภอยากได้ของคนอื่นนะมันไม่จะถึงกับโลภธรรมดาหรอกโลภธรรมดาธรรมดาก็ใช้ความเพียรพยายามเอาเนี่ยในชั้นกุศลกรรมบทไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเราจะลืมในชั้นนิวรณ์ก็คือชั้นหนึ่งมันเป็นชั้นกรรมาฐานชั้นนิวรณ์ น, นั้มันอีกชั้นหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติกรรมถ า, านสงบนิวรณ์ในชั้นการครองเรือนอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นเท่านั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเลย ทำมาหากินไปใช้ความเพียรขยันหมั่นเอาจะรวยยังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอย่ไปค้าฝินอย่าไปช่อโกงเขาก็แล้วกันอนะ่ะทีนี้ถ้ายังมีจิตคิดประทุษร้ายนะฮะจิตคิดประทุษร้ายด้วยความความโกรธอยู่เนี่ยซึงจะเห็นว่าพวกนี้เวลาแกเกิดและแกะแรงนะฮะกิเลสประเภทโทสะเวลาแกเกิดและแกะแรงซึ่งอาจจะ อนันตเรยกรรมเนี่ยให้ลองสังเกตนะฮะอนันตเรกกรรมนั้นมันจะเกิดด้วยโทสะกับโมหะพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราหารันทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดจากโทสะกับโมหะแรงด้วยครเป็นอังกุศลกรรมที่แรงเพราะงั้นไอ้โทสะที่มันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวอย่างมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่ต้องออกชื่อแต่เนะคือไม่น่าเชื่อนะอายุตั้ง80ดสิบ ตอนที่ท่านท่านั้นแปดสแล้วมันเกิดอะไรยิงลูกชายตัวเองตายตอนนี้ท่านก็ตายไปแล้วมันเกิดโทสะขึ้นคือโทสะที่ท่านเก็บกดไว้นานนเะกิดลูกชายคนนี้ก็เรียกว่าเลวบริสุทธิ์ไม่รู้เลวยังไงดีอ่ะมันตั้งแต่เกิดมามันเลวที่ ท, ท, ที่ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะแต่ท่านเก็บมาได้ตั้งนานนะเก็บมาได้ตั้ง3ามสปีถึงจุดหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาเลยอยู่ไม่ได้เพราะลูกชายพุ่งมาจะบีบคอแกนมาขอให้แบ่งสมบัติ ตอนนั้นอายุลูลกชายอายุร่วมตั้งงสาสบสา38ดเอ้ย2ี่แปดยี่สิบเก้านีชักปืนนะชักปืนคู่เนี่ยฮะทีนี้พอลูกพุ่งกับมาจริงๆก็ตกใจอะเรี่ยงกันเลยก็ตายนี่นๆนี่นี่เราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากโทสะซึ่งท่านดีมาตอลอดแลวเป็นคนดีมากเลยนะเป็นคนดีจริงๆนี่อายุตั้งแปดสิบเลยมาลงมาตรงนั้นได้ เพราะงั้นโทสะเนี่ยจึงมีอาการที่แผดเผ่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าถ้ายังมีตรงนี้อยู่เนี่ยโทสะคือคื อ, ค, อคือประทุษร้ายคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นนะฮะชนิดนั้นไม่ใช่ว่าโทสะระดับธรรมดาระดับธรรมดาก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายหรอกชั้นชั้นศีลธรรมจัญญานะฮะเราพูดถึงชั้นศีลธรรมจัญญาชั้นเขาเรียกว่ากามโภคีเนะี่ยคือชั้นป็นชาวบ้านแล้วก็ก็คือโมห oh ะความหลง นะอันนี้ก็กอีกแหละโมหะนี่มันเป็นโคตรง่าของกิเลสอะ่ะแต่ว่ามันไปขยายโมหะที่ท่านจะเห็นว่าโมหะระดับที่ไม่ถึงก็หลงผิดเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกได้สแสดงว่าโมหะไม่มากเพราะงั้นได้คาว่ามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะจึงไขว่าโมหะต้องไม่เข้มขน้นเพราะถ้าโมหะเข้มขน้นปัญญามันก็ต้องไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดสแสดงโมหะไม่เข้มขน้น มันก็บอกกันอยู่ในตัวทีนี้ปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนี่ปัญหามันว่าอยู่ตรงไหนนี่ก็อย่างคล้ายๆกับสัมปชัญญะไอาศาสตะกะสัมปชัญญะที่ว่าตะกีมก็คือคือกันเพราะว่าเป็นธรรมะอันเดียวกันเรามีปัญญาระดับสุตามยะปัญญาเนี่ยคือรอบรู้อะไรกันเยอะเลยเข้าใจอะไรเหตุผลต่างๆในสารพัดแต่พอเอาข้าจิงตัวเองมันก็ทาไม่ได้ อย่างเนี้ยอย่างอย่างบางทีเราไปไปรณรงค์เรื่องเรื่องอะไรเรื่องสุราเรื่องสุรานะฮะจะตั้งจะจะจะมีสั ป, ปดาห์รณรงค์ให้เลิกงดดื่มสุราแต่ตัวกรรมการเองก็มีกลิ่นสุรามีกลิ่นสุราแล้วอธิบายโทษสุราได้หยดย้อยล่ะบางทีเราก็นั่งดื่มสุราไปเราก็นั่งวางแผนไปเนี่ย้าก็เก่งไม่หยอกถ้าเก่งก็ ร, รู้นะฮะ ที่จริงเรารู้แต่ไม่มีเป็นเครื่องสลัดออกสลัดออกสลัดตัวเองออกมาไม่ได้ติดสิ่งเสพติดเล่นการพ น, นันอะไรต่ออะไรนดุดาลูกได้อบรมลูกได้แต่ตัวเองก็ไปเล่นต่อปัญญามันปัญญามันอ่อนคือสลัดไม่ออกมันขนาดสลัดไม่ออกก็เหมือนกับว่ารู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แต่ก็ยังยุ่งอยู่ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ประสาทตกะสามัญญะที่ว่ากี้เนี่ยมันก็แนวเดียวกันฮนะ เพราะงั้นปัญญาระดับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นเครื่องสลัดออกถ้าสลัดออกไม่ได้มันก็หลุดพ้นแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เช่นว่ายกตัวอย่างเช่นพวกอบายยมุกอย่างนี้อบายยมุกถ้าถามมันจะให้อธิบายเนี่ยอธิบายได้แล้วพวกนักดื่มในบางทีอธิบายเก่งกว่าพระจริงนะฮะเก่งกว่าพระเก่งกว่าหมอได้ําไปนะอให้อธิบายโทษสุราแต่ว่าสลัดออกจากสุราไม่ได้ก็พูดแล้วก็ดื่มต่อ ตรงใช้คําดีมากนะฮะตรงนี้บอกมีปัญญาไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเขาแสดงว่าเอาตัวไม่รอดสลัดออกจากอะไรนะท่านจะเห็นว่าสลัดออกจากความชั่วจากบาปจากอังกุศลจนโน้นนะฮะจนสังสารวัตรสลัออกส ล, สลัดตนเองออกไปจากจากสังสารวัตรเป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะว่าชีวิตของชาวบ้านเองก็เป็นชีวิตที่สามารถประพฤติได้สูงสุดได้ ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเพศนะฮะอย่าไปคิดว่าพระพุทธศาสนาจะจำกัดด้วยเพศด้วยวัยด้วยอะไรมันก็จํากัดด้วยนี่แหละด้วยความเพียรด้วยสัมผชัน ญ, ญาด้วยสตินี่แหะเพาความเพียรเราจะมากขนาดไหนแต่เรามีความเพียรมากมีสัมผัชัญญามากมีสติมากมันก็ไปได้ทั้งนั้นแล้วท่านจะเห็นว่ามันมีลักษณะสอดคล้องกันหมดเวลาทรงสแสดงเขาเรียกว่ากุศลหรืออ า, อายะโกศล ฉลาดในทางเจริญอปายญโกศุนฉลาดในทางเสื่อมตรงนี้เราเก่งด้วยกันนะตรงนี้เก่งด้วยกันทนะั้งท่านแต่มันเสียตรงนี้ช่วงที่สามเนี่ยคืออุปายญโกศลฉลาดในอุบายยุวีทีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญมันก็คืออะไรคือไม่มีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกระดับใช้งานเอาไปใช้งานไม่ได้ตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลย่ยางว่า บรรดากิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีที่เราพูดพูอิจฉาริษยาอะไรแตไใดเนี่ยสามารถอธิบายถ่ายทอดชี้แจงอะไรแต่ใดแต่เราก็เอาทุกทีเลยฮะพอเรื่องโกรธก็โกรธทุกทีอิจาร์อิจ า, าทุก ท, าาทีพยาบาทก็พยาบาททุกทีเลยนี่ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาเป็นเคร่งสัตดอกแล้วก็พร้อมที่จะอะไรพร้อมที่จะเพิ่มเชื้อความโลภความโกรธความหลง มันพร้อมที่จะกลับมาเพราะปัญญาเราไม่มากพอมันก็เหมือนกันเนี่ยแสงสว่างไม่มากพอเนี่ยเดี๋วพร้อมจะหกล้มหกลุกตกเหวตกบ่อไปตามเรื่องโอ้เจ้าก็ทรงแสดงว่าคนชาวบ้านระดับนี้นะฮะจะเรือามาขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเพราะตรงนี้เน้นไปที่จิตนะมันก็ควรจะตําหนิตําหนิอยู่หนึ่งประเด็นประเด็นแรกแกเลี้ยงชีวิตโดยทําโดยไม่ผรุนผลานอยยอก็ยกยอก่องนะแล้วก็ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขก็ยกย่องได้ทราบมาแล้วมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําบุญให้ฐานก็ยกย่องจะยังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วขาดปัญญาเป็นเรื่องสันหลองแต่โลภระดับนีอ้อย่างที่ว่าโลภระดับกุอะกุสนกรรมบทนะครก็ถือว่าควรตํัณฑ์อยู่หนึ่งประเด็นแล้วก็ต่อไปก็กระจายไปเรื่อยกระจายไปถึงจุดหนึ่งฮะจุดที่สมบูรณ์ถือว่าชีวิตชาวบ้านที่สมบูรณ์ ก็หมายความว่ายกย่องทุกจุ ด, เ ล, ดรรเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ผุนผันเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ผุนผันนชุดเดียวกันนะฮะคือมีสตินั่นเองมีสติสัมปชัญญะนั่นเองแล้วก็ได้ทรา์มาแล้วก็เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขมีความอึกเฟือเผื่อแผ่ทำบุญให้ทานแล้วก็ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภ ความโกรธและความมาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธความหลงแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดดอกสามารถสลัดสลัดทั้งกิเลสด้วยแหละมันเกิดความโลภเกิดขึ้นรู้จักหน้าตาของความโลภแล้วก็สลัดความโลภออกไปอย่างน้อยก็อย่าโลภอยากได้ของของเขาโกรธก็อยากถึงพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดก็อยากถึงก็เป็นนิยตาวิชาทิสนะิเห็นผิดไปชั่วครั้งชั่วคราวเผลอเผอพลั้งพลาดไปเนี่ยก็ในชั้นที่เริ่มหัดเดินใหม่ก็ไม่มีปัญหาไดหรอกหกล้มหกลุกลไป แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็ตั้งตั้งหลักได้คืออย่าให้ถึงกับเป็นนิยตามิจฉาทิฐิคําว่านิยตามิฉาทิฐินั้นก็คือความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมนั่นเองตรงนี้พระเจ้าจเน้นอยู่บ่อยเลยเพราะเป็นเป็นเรื่องที่น่าห่วงสัตว์โลกน่าห่วงคืออกิริยาทิฐิถือว่าไม่เป็นการกระทําหมดเลยความดีความชั่วนี่ไม่เป็นการกระทำหมดเลยอะไรทั้งหมดเนี่ยถือว่าไม่ไม่เป็นการกระทํา และก็เหตุกขาิฐิถือว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่มีเหตุอะไรความทุกข์ก็ไม่มีเหตุความสุขก็ไม่มีเหตุมันเกิดก็มันเองเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดเลยพรานี้สำนวนเขาเรียกว่าสังสารสุทธิถือว่าคนเราทถ้าบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์เองมันเกิดเกิดไปเรื่อยบริสุทธิม์มาเองไม่ต้องทำอะไรมันบริสุทธิ์เองแล้วก็ถือว่าอุเฉตทิฏฐินัตติกาทิฐินะฮะ นติกทิติถือว่าไม่มีอะไรไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีคนดีไม่มีคนชั่วไม่มีเทวดามนุษย์อะไรปฏิเสธหมดเลยฮะพวกนี้พวกนี้ถือว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฐิแรงกว่ามิตรแรงกว่าอนันตรดียกรรมนะเพราะงั้นความเห็นผิดถ้ามีก็อย่าถึงกับลงในแน่นี้นะอย่าลงในแนวนี้ก็แล้วกันถ้าแนวนี้แล้วก็อาการนัก และอีกอย่างหนึ่งก็คือความเห็นในแนวสังสารวัตรที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกันนี้แนวแนวสังสารวัตพระพุทธเจ้าไม่ได้ถึงก็เรียกว่านิยตามิชาทิฐิเพราะมันมีทางออกอยู่บ้างมันมีทางออกมีส่วนดีอยู่บ้างเป็นพวกสัตตติทิฏฐินี่ถือว่าคนเราเกิดมาตายจากอะไรก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีแนวความคิดที่แยกออกไปแต่บางคนถือถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทําความดีพวกนี้แหละคือไปเข้าไปเขาได้ พวกนี้เขาไปเขาได้เลยไม่ถือว่าเป็นนิยตะเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์ไปได้พวกนี้ไปเกิดสุคติได้แต่ว่าถ้าถ้าปฏิเสธกรรมในแนวสามนั้นแล้วก็ไปไม่รอดจึงถือว่าเป็นนิยตะเป็นความเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เที่ยงที่เที่ยงต่อชีวิตคือหมายความจะไม่ก้าวหน้าแล้วก็ยืนยันคติเลยว่าตายตกนรกหมดไม่ไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลย เป็นของแน่นอนนะเรื่อวันนิยตะคือเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยลงตัวหมดทุกจุดสําคัญว่าให้มีปัญญาเป็นหลักอย่างที่บอกมาตะกี้เนี่ยว่าท่านวิเคราะห์คําว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์สัตว์ใดมีใจสูงเหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์สัตว์ใดรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์ มนุษย์นี่จึงเป็นงะเป็นยากนะฮะมนุษย์นี่เป็นยากกว่าเป็นคนเป็นคนเกิดเราได้เป็นมนุษย์มันเป็นเป็นระบบพัฒนาจิตคือจิตจะต้องขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้นี่ก็ถือว่าจบชุดของคารวาสผู้ครองเรือนสมบัติพระสูตรนี้นะฮะราศีย่านั้นเป็นชื่อของคนมาลืมบอกไปเพราะว่าไปแปรไปแปลชื่อแกไม่ได้หรอกก็ถ้าจะแปลก็แปลเป็นกองนะฮะคือถามมาแกแกถามเป็นชุดชุดมา เป็นชุดๆมาถามปัญหาเป็นชุดๆชุดๆก็คือกลุ่มๆ ก, กองๆ อ, อ, อ่ะต่อไปนั้นอย่าลืมมาตอนพระสูต์ที่พูดวันเสาร์ที่แล้วคือพูดเรื่องความเศร้าหมองกันแต่พระพุทธเจ้าเริ่มตายมาจากชีวิตชาวบ้านเลยตายมาจากนอนยังไม่ถึงจุดเศร้าหมองนะฮะก็มันก็เหมือนกันอะไรเหมือน ก, นกับที่เขาถามมงคลนะครับถามมงคลถามข้อเดียวนะฮะพระพุทธเจ้ากระจายมงคลจากพื้นมาเลย กระจายมงคนจากพื้นขึ้นไป็นพุทเดียวสามสิบปดข้อเลยขึ้นไปเลยที่จริงก็ถามมาอะไรเป็นมงคลตอ น, นั้นเองพระเจ้าทรงเห็นว่ามงคลมันมีเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยเลยก็จ่ายให้ดูไปตั้งตั้งแต่เสวนาเจฟารนานั่ไปทีนี้พอมาถึงจุดนี้ก็พูดถึงเรื่องเศร้าหมองคือผู้ที่บวชนะผู้ที่บวชที่ประพฤติชีวิตในลักษณะที่เศร้าหมองปอนๆก็ที่จริงมันก็มีอยู่สาม สประเด็นเหมือนกันคือเนื่งบวชด้วยศรัท ธ, ธานะบวชด้วยศรัท ธ, ธาโดยมุ่งหวังว่าตนจะบรรลุกุศลคือสามารถปฏิบัติกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วก็สามารถ เ, เพื่อบรรลุอุตริมนุสธรรมด้วยญาณทัศนะได้ก็ก็มีอยู่สมจุดทีนี้บุคคลเหล่านี้ถ้าหากว่าบวชด้วยศรัท ธ, ธา แล้วก็ปฏิบัติด้วยทุกขกรริยานะทรมานตนทําศร้าหมองทําตนเองให้เดือดร้อนถ้าทําตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรไม่สามารถที่บรรลุอุตริมนุสธรรมไม่ใช่คําเสียนะอุตริมนุสธรรมเนี่ยที่จริงเป็นคำดีแปลว่าธรรมที่สูงสุดของมนุษย์ธรรมอย่างยิ่งของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากตายไปจากเนี้ยยินดีในที่สงัด ยินดีในที่สงัดกายสงัดวาจานะฮะท่านเวลาเวลาท่านไปในพิธีเขาบวชนาคนะคงจะเคยได้ยินแต่พอดีท่านพูดเป็นภาษาบาลนะี <c oughs> คือตั้่นอันรมะโซสุญญากาเรยพิรมามีติชานังวาวิโมขังวาสม า, สม า, สมาติงวาสมาปฏติงวามาขังวาพรังวานะจะขึ้นอย่างนั้นโดยที่สุดแม้ยินดีในที่สงัด ได้สารชาังวาวิโมกคือจิต ท, ที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลส จ, จะชั่วคราวหรือถาวรก็ตามสมาธิชานวังวโมขังหวรสมาติว่าสมาบัติแล้วก็มรรคผลพวกนี้คืออุตริมนุสธรรมธรรมะอย่างสูงสําหรับมนุษย์ซึ่งหมายความว่าก้าวเลยความเป็นมนุษย์ขึ้นไปอีกเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าบวชถ้าท่านบวชมาโดยศรัทธานะฮะโดยตั้งเป้าหมายว่า จะพยายามบรรลุกุศลแธรรมแล้วก็อุตริมนุสธรรมให้ได้แต่บอกออกก็จริงแล้วท่านไปทําตัวเองให้เดือดร้อนทําตัวเองเดือดร้อนบําเพ็ญทุกขลกิริยาไรแต่ไรต่างๆนะฮะทีนี้มันก็ต้องแยกประเด็นถ้าท่านบวช ด, ด้วยศรัทธาก็ยกย่องในประเด็นของบวชใจศรัทธาแต่ท่านสามารถบรรลุกุศลธรรมได้ก็ยกย่องในประเด็นนั้นถ้าบรรลุธรรมะที่สูงขึ้นไปก็ยกย่องใน ในประเด็นนั้นแต่ว่าการทำตัวเองให้เดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคจะเป็นอุปสรรคไม่ให้บรรลุอุตริมนุษยธรรมกุศลนธรรมนั้นได้นะฮะกุศลนธรรมบรรลุได้โดยการทรมานร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็ไปได้ในระดับหนึ่งคือเราจะลืมว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยบางคนมันมีอะไร ม, มีลักษณะเหมือนอะไรมาที่มันตรงใช้คําว่ามาเนี่ยบางบางชนิดมันต้องแทงด้วยประตักเลยจึงรู้สึกตัวคือต้องใช้วิธีแรงต้องใช้วิธีทรมานตัวเองกำราบมันมันอะไรมันแรงกีเล่มันก็แรงแล้วก็ถ้าจิตใจมันพึงสังเกตว่าคนบางคนนั้นถ้ารับประทานอาหารมากมันก็ง่วงรับประทานอาหารน้อยก็กระสับกระส่าย แต่บางคนถ้ามีอาหารอยู่ในท้องแล้วนั่งไม่สงบมันต้องหิวจึงเกิดความสงบนี้แสดงว่าต้องใช้วิธีนี้ก็ช่วยด้วยมันจิตใจมันกล้าเกินไปกำลังความคิดความอ่านในแรงเกินไปก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีทรมานตัวแต่ไม่ถ้าแรงเกินไปแล้วเนี่ยแม้กุศลธรรมก็จะไม่บรรลุแต่ถ้าไม่ ร, ร, มรุนแรง ก็ได้อาจจะบันลุคุณไอ้กุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ไปปฏิเสธเขานะฮะไม่ไปปฏิเสธเขาไปทุกกรณีแต่หมายความว่าถ้าอุตริมนุษยธรรมเราเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะทรงแสดงอย่างที่บอกในวันก่อนว่าทําให้เกิดทุกข์ไม่ทําให้เป็นพระอริยะแล้วก็ไม่มีประโยชน์การทําตัวเองให้ลําบากทรมานตัวเองด้วยวิธีที่เขาปฏิบัติกันกันในสมัยนั้น เพราะงั้นในชั้นของของคนที่เข้ามาบวชเป็นบัพปิชิตคือคือคือไม่ว่าศาสนาไหนนะไม่ว่าศาสนาไหนรัฐที่ไหนเพราะเขาถามเองก็ไม่ได้ถามเ จ, จาะจงพระพุทธศาสนาแต่ถามถึงผู้ที่ละไชีวิตของผู้ครองเรือนเข้ามาเนี่ยที่ว่าคือแกเริ่มต้นถามว่าพระพุทธเจ้ายกย่องเฉพาะคนที่ปฏิบัติสร้าหมองเท่านั้นแล้วพระุทธเจ้าก็บอกว่านี้เป็นการกล่าวตูพระองค์พระองค์ก็ตายอันดับมาเรื่อยๆนะ เราไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่าในชั้นหนึ่งอาการปฏิบัติเศ้าหมองด้วยคือเรียกว่าเรียบๆง่ายๆเนี่ยนั่นก็คือแนวแนวแต่ว่าแนวสมัครนักบวชนะไม่ใช่แนวสมัครพระไม่ไม่ใช่แนวสมัครชาวบ้านนะมาเดินไปที่จะทํามอมแมมชาวบ้านไปมอมแมมก็ไม่ได้คือพระมันก็พระก็ไม่ใช่มอมแมมนะก็หมายความว่ามันต้องสะอาดสะอ้านแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ใช่หนะรูหรากวาวววหุ่งเฟือย มันก็อีกแบบนึงรูปลักษณะชีวิตอีกแบบหนึ่งเพราะว่าศรัทธาความเลื่อมสายของคนที่เข้าม ah าหาศาสนาเมื่อที่จริงมันก็มาสีทิศทางนะฮะถ้าเราลองสังเกตจะมาสีทิศทางทิศทางหนึ่งนั้นก็มาด้วยเรียกกระรูปปรับประมาณิกาถือรูปเป็นประมาณแนวหนึ่งก็โคศปรมาณิกาถือเสียงเป็นประมาณแนวนึงก็ถือธรรมปรมาณิกาถือธรรมเป็นประมาณแนวหนึ่งก็เรียกกระรูขับปรมาณิกาก็ถือเอาความส่องมอง ปอนปอนซุมซนะุมก็คนก็ชอบอย่างนั้นคือศรัทธาพระที่บางทีก็จิบงกิวอนทิซิทอะไร <g iggle> ก็ชอบแนวนั้นรู้สึกว่าท่านท่านเคร่งดีก็แล้วแต่ใครนะแล้วแต่ใครจะคิดซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าแนวนี้ไม่ใช่เป็นแนวที่เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าเป็นทุกขลกิริยามันก็เป็นเรื่องที่เสียหาย เพราะเพราะเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วแต่เขาบรรลุกุศลนธรรมได้นะเพราะงั้นมันมันมันก็มีอยู่สมระดับสรุปว่าสามรับนี้หนึ่งคือบวชด้วยศรัทธาโดยตั้งใจว่าจะบรรลุกุศลนธรรมปฏิบัติไปแล้วบรรลุกุศลนธรรมได้ก็ยกย่องท่านสองจุดจุดที่ท่านบวชด้วยศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจดีสามารถบรรลุกุศลนธรรมได้แต่ถ้าท่านไม่สามารถบรรลุอุตริพุทธธรรมที่สูงขึ้นกว่านั้นก็ควรตําหนิในจุดนี้ตำหนิอยู่จุดหนึ่ง แสดงว่ามันมีอยู่3ามจุดบางคนนี่อาจจะบวช ด, ด้วยศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไหนเลยมันก็มันก็ยกย่องท่านได้จุดเดียวใช่ไหมถ้าว่าท่านได้บรรลุ ก, กุศลธรรมช่านได้ชั้นหนึ่ก็ยกย่องท่านในจุดนั้นแล้วถ้าท่านได้ครบก็คือสมบูรณ์อีกกา้จเหมือนกับชาวบ้านที่ที่ที่ที่ทรงใช้การมโหขีถ้าสมบูรณ์มาจนถึงว่าไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทฟองร้ายบุนคคลอื่นเห็นชอบตามตานองครองธรรม ม, ม, ม, ม, มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากบาปจากกุศลจาก ทุกโทษต่างๆเนี่ยบางทีท่นานใช้คำว่ามีปัญญารักษาตนคือมีปัญญารักษาตนได้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งออต่อไปก็ทรงสรุปซึ่งเป็นการเสนอแนวให้คิดเลยรีเนี่ยเสนอแนวให้คิดว่าบุคคลบางคนที่ถูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสรุปเลยเพราะว่าคือถูกราคาโทสะโมหะถูกราคาโทสะโมหะ เปลี่ยนเป็นราคะนะแทนที่จะใช้คําว่าโลภะตัวนี้เปลี่ยนเป็นราคะราคะโทสะโมหะแต่ว่าท่านทั้งหลายโปรดเข้าใจนะว่าราคะกับโลภานั้นเป็นกิเลสสายเดียวกันเป็นกิเลสพวกเดียวกันราคะนั้นส่วนมากแล้วมักจะเน้นไปในทั้งรูปธรรมนามธรรมมันมีมั น, ม, นมันเหมือนกัอย่างเหนียวราคานะเน่ยหมือนก็อย่างแต่มันมีลักษณะจิตโลภะนี่มันมีลักษณะที่ ท, ที่ที่เอื้อมมาเอื้อมเข้าไป จนบางบางครั้งบางคราวที่ทรงใช้อภิชาอะไรก็โลภะงั้นนะฮะกิเลสประเภทดึงก็มาหาเรานะฮะกิเลสประเภทดึงก็มาหาเราแต่ในที่นี้ทรงชี้ให้เห็นถึงราคะโทสะโมหะบอกวา บ, บุคคลที่ถูกจิตมันจิตมันถูกกลุ่มรวมด้วยกิเลสทั้งสามนี้ย่อมคิดนะฮะคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแต่เมื่อเขาสามารถสลายเขาสามารถปฏิบัติสลาย หรือบันเทาพวกนี้ลงไปได้ความคิดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนว่าจะเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองในเดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นในเดือดร้อนเหล่านี้เป็นธรรมค่าธรรมคุณเลยรตรงนี้ก้าว่าเป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตัวเองไม่ถึงความคล่าคล้าคือไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย <S <S ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอากาลิโกคือคือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และสามารถที่จะเชิญชวนมาพิสูจน์ทดสอบได้เป็นข้อที่บินูชนจะต้องคิดจะต้องรู้จะต้องสัมผัสด้วยตัวเองทุกการทุกสมัยก็สรุปมาอย่างนี้นะฮะที่จริงประสูติมันก็ยาว เ, เป็นการชี้ให้เห็นว่าหลักเหล่านี้เป็นหลักที่เรียกว่าสากลคือถ้าที่เราคนทำอะไรที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นน ะ, ะถ้าหา จ, จะสงสัยทําไมพระเจ้าชาอย่างั้ ให้ลองตั้งเเกรดฮะว่าคนเรานั้นคือนอกจากเราก็คือคนอื่นทีนี้การกระทําของเราบางอย่างนี่เราเดือดร้อนคนเดียวเช่นนอนอาคาตพยาบาทเดี๋ยวนี้ก็พยาบาทไปสิอยากร้อนก็ร้อนไปสิคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนะฮะแต่บางอย่างนี่ฉันไปฆ่าไปลักเรื่องศีรนั้นคือเราเองเดือดร้อนคนเดียเดือดร้อนพุทธเจ้าก็ห้ามไว้ฉันศีรแต่เรื่องสมาธินั้นเราเดือดร้อนเราคนเดียวลองลองดูนิวรณทั้งหลายนะฮะใครก็ร้อนกับเรา เราง่วงนอนเราก็ง่วงก็เราคนเดียวใครไม่เดือดร้อนอ่ะเราฟุ้งก็ฟุ้งก็เราคนเดียวเราพยาบาทก็พยาบาทก็เราคนเดียวใครไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยแต่เราเราก็สาหัสอ่ะนี่เขาเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองฉันศีลจึงเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแต่บางอย่างมันเบียดเบียนเฉพาะบุคคลอื่นนะเช็ดไอ้พวกต่อนกไอ้ตกปลาล่าสัตว์ดักบ่วงดักแล้วเนี่ยไอ้คนอื่นมันเดือดร้อนไอ้คนไม่ทํามันไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยมันได้ อันนั้นคือคนอื่นเดือดร้อนแต่พวกนี้วรนั้นเราเดือดร้อนไอการฆ่าการต่อสู้หรือว่ายังหึมฮมกันอยู่เนี่ยทั้งทั้งเราทั้งคนทั้งคนอื่นเดือดร้อนมันมีอยู่3าประเด็นแต่นั่นเองการปฏิบัติทั้งดีและไม่ดีมันก็มีอยู่สจุดจุดหนึ่งนั้นจุดยากที่สุดทั้งเราและคนอื่นเดือดร้อนรองลงมาคนอื่นเดือดร้อนต่อจากนั้นคือเราเดือดร้อนถ้าหมดแล้วก็คือหมดถ้าเป็นการเกื้อกูลทั้งแก่เราและคนอื่นนะ วเกือกูลใครคนอื่นแล้วเกอกูลต่อเรามันก็จบเป็นเป็นการเสร็จสิ้นในการดำเนิชีวิตคือเป็นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเมื่อเราคลายจากเรื่องเหล่านี้ไปคลายจากราคะโทสะโมหะคือทรงยกกิเลสกลุ่มใหญ่ขึ้นมาเลยนะแต่ท่านอย่าลืมไอราคาโทสะโมหะเนี่ยมันโคตธง่าวกองกิเลสอะ มันมาแต่ออกอะไรเป็นกิเลสพันหตระหนาร้อยแปดที่ท่านวา่าเนี่ยมันก็ออกมาจากนี้แหละมันไม่มันไม่เคยอะไรนะฮะให้ให้ให้ลองคิดนะฮะลองคิดธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดการอ่านพระสูตรอะไรในเราจับประเด็นมองแล้วก็เชื่อมเชื่อมปั๊บเดียวไต่หนึ่งเราเข้าใจเลยแต่ถ้าเราคิดจะอ่านให้จําแล้วจบแล้ ว, ลวพระสูตรนี่แย่นะมันอ่านได้จำแล้วแต่ถ้าเราเชื่อมเราลองดูเราจับจับจับจุดแล้วมนเชื่อมดูอะไรต่ อ, อะไรเนี่ยมันคล้ายกัน ตรงไหนแล้วเราก็กําหนดทิศทางเราได้ถึงไม่ไม่จำเป็นจะต้องไม่อ่านมากอะไรดูเราความวามันจับชนกันเชื่อมกันอย่างไงอันนี้เป็นกินเลสสายไหนเป็นธรรมะกลุ่มไหนอะไรแต่ไรเนี่ยไม่เท่าไรหรอกฮะแม้แต่จะพ่องต้องประพูดบางประพูดอย่างมหาตติปทาฐา น, นสุดเนี่ยมีตั้งยี่สิบใบนะฮะแต่ว่าเราท่องใช้เวลาสามชั่วงจําได้มันไม่ยากฮะเพราะเรากําหนดเอากําหนดดูดูไอ้ความละมไม้ความคล้ายคลึงความแผกเลี้ยนนิดนิดห น, น, น่อยหน่อย ควาเหมือนกันส่วนมากมันเหมือนกันส่วนมากตรงนี้เราเราเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อมันเมื่อมันคลายลงไปราคะมันคลายลงไปโทสะมันคลายลงไปโมหะมันคลายลงไปราคาโทสะโมหะที่คลายลงไปจุดหนึ่งนั้นจะไม่ทาตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนนะคือไม่ละเมิดศีลนั่นเองไม่ละเมิดในศีลนั่นเองแต่ลองดูนะศีลเนี่ยเราเดือดรอ้อนคนอื่นเดือดร้อนถ้าละเมิด ทีนี้ถ้ามันคลายลงไปถึงจุดหนึ่งนั้นน่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่เดือดร้อนคือระดับสมาธิแต่เราบรรเทากามชานันบรรเทาพยาบาทบรรเทาทินนิมิธะอุทตจักขุจจะพิจิกิชาได้อย่างน้อยในขณะนั้นเน่ยเราไม่เดือดร้อนทีนี้ถ้าเข้าถึงความสมบูรณ์ทั้งเราทั้งคนอื่นไม่เดือดร้อนมีแต่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นอย่างพวกสัตว์บุรุษทั้งหลายนะจนถึงพระพุทธเจ้าพระอราหันต์เนี่ยท่นนี้สมบูรณ์แล้วมันสลายหมดเลย ราคาโทรศัพทมสลาย ห, หมดสลาย ห, หมดการปฏิบัติมันก็พลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งคือเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นทีนี้การที่จะศึกษาว่านี่จริงไม่จริงผู้จ้า ก, ก็ยืนยันว่าเรื่องที่สันิติโกนะฮะแต่ว่าไปเพิ่มมาอีกคนะํานึงคือไม่คล่ำคล้าไม่เปลี่ยนแปลงนันจริงอย่างนั้นอนะ่ะสันิติโกกาลิโกไอปาติโกนะ่ยท่องไว้ตรงนั้นแนหะ แต่ว่าตรงหลังสันทิติโกเนี่ยเพิ่มเงีอีกคำหนึ่งว่าไม่เข้าถึงความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเข้ามันอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามมันขึ้นอยู่กับแรงของกิเลสถ้ากิเลสขึ้นสูงก็เป็นผิดถ้ากิเลสลดลงมามันก็เริ่มเป็นคุณขึ้นมาโดยลาดับดด บ, บเป็นข้อที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตัวเอง อันนี้ก็ลองลองดูนะในขณะที่คนอื่นก็กําลังมือเวนมีภัยไปอดข้าวประต้วงอะไรต่ออะไรกันเราไม่ได้แรงขนาดนั้นเราก็มานั่งเย็นเย็นในห้องนี้นี่เราก็เห็นได้แล้วนะนี่เพราะเพราะอะไรเพราะว่ารที่จริงเราก็มีนะราคาโทรศัพท์มั้งแต่เราก็ไม่แรงถึงขนาดนั้นไม่แรงถึงขนาดนั้นเราก็บรรเทาลงไปได้เราก็มาอยู่ซึสงบได้อย่างพระพุทธดํารัสที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งเขเปล่งเป็นพุทธอุทานนะ พุทธอุทานเมื่อตอนพระญาติเขากำลังบึมบึมจะทะเลาะกันทะเลาะกันพระเจ้าก็สรงเปล่งอุทานว่าในท่ามกลางคนนี่กำลังวุ่นวายกำลังทะเลาะกำลังแบ่งเป็นพวกกันเนี่ยเราไม่วุ่นวายไม่ทะเลาะไม่แบ่งเป็นพวกก็อยู่สุขสบายดีเราก็อยู่ท่ามกลางไหนก็ท่ามกลางคนเหล่านั้นนะท่ามกลางคนนี่เขาวุ่นวายเนี่ยแต่เราไม่วุ่นวายทําไมเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้วุ่นวายเรายังไม่เราไม่มี คือมันมีแต่ไม่แรงพอที่จะกระโจนเข้าสู่โครนตรมของความวุ่นวายแล้วก็อยู่ได้ก็สงบเย็นตรงนั้นก็เห็นกันได้ด้วยตัวเองแล้วสมมติว่าในด้านของออนิวรนะฮะยกตัวอย่างว่าท่านเดือดร้อนเพราะความอาคตาพยาบาทไม่พอใจปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจสงบเป็นสมาธิพยาบาทหายไป แล้วเราก็สัมผัสด้วยตัวเองคือสันทิฏฐิโกเราเห็นก็เราเองนะเราเห็นก็เราเองแต่ในชั้นสีนั้นคนอื่นก็เห็นชั้นศีคนอื่นก็เห็นแต่พอถึงชั้นสมาธิเราต้องเห็นก็เราเองและหลักเราเนี่ยมันมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะฮะเขาจะปฏิบัติที่ส่วนใดของโลกก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะอาการิโกไม่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะว่าเป็นยุคเป็นสมัย ในแนวความคิดที่เราพูดกันได้เอามาเผยแพร่กันที่ว่าถึงพันปีพระอระหันต์จะเสื่อมไปเท่าพันห้าร้อปีพระนาคาจะเสื่อมไปนว่ากันทีหลังนิทานว่ากันเรื่อยคือคือบางทีนี่ท่านก็คิดลืมหลักมันลืมหลักเพราะงั้นอย่างที่อามาเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าเราจะไปวุ่นวายมากเอาพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเนี่ย ท่านยืนยันว่าจับใดที่อริยมรรคในองค์แปดยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคในองค์แปดมีอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลจะมีพระอริยบุคคลอยู่เรื่อยจะมีมากหรือมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับยุคกับสมัยนะฮะขึ้นอยู่กับยุคสมัยคือว่าไอ้ค่านิยมความสนใจของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้ไม่เหมือนกันยุคสมัยเราเนี่ยมันยุคที่นู้นเนี่ยมันดิสโก้อะไรมันก็เกิดจะเอาให้มันคนไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานก็มันน้อยลงฮ นอยดองแต่ว่าท่านที่ไปได้ท่านก็มีเป็นเป็นอาการลิโกคือคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ขึ้นอยู่กับการเวลานะี่ยมีอยู่สองอย่างนะฮะหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นชั้นละเอียดจริงๆนะชั้นละเอียดจริงๆหมายความว่าระหว่งังมรรคกับผลเนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรขวางอยู่ตรงนั้นนั้นอย่างหนึ่งแต่อันนั้นมันชั้นละเอียดเขาไม่เอามาพูดกันเท่าไหร่ แต่อย่าลืมว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการเวลาตัวธรรมะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ธรรมะจะต้องขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ใช่นั่งหุงข้าวแล้วไปนั่งสมาธิเีนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือคือหุงข้าวก็หุงข้าวไปเลยว่าการไหนควรทํำยังไงมันก็ต้องมีการรันอยู่เหมือนกันก็เป็นข้อที่เรียกว่าเอหิปัสสิโกคือเชิญชวนให้มาคิดดูท่านทั้งหลายนึกออกไหมฮะว่าแนวความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยให้ใคร ประศูนยที่บรรยายมาแล้วนะฮะมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่ที่ยิงแนวเดียวกันเลยแนวเสนอให้คิดผู้กระชาวบ้านเหมือนกันคือแนวกาลามาสูตรนึกออกไหมแนวการามาสูตรแต่ว่าแนวการามาสูตรพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาให้คิดยกขึ้นมาให้คิดทำไมยกมาให้คิดเพราะพวกนั้นก็ศึกษามาดีแล้วศึกษามาดีแล้วแต่ท่านราศียะนี่ท่านท่านท่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นในด้านปริยัติท่า น, น้อย พราะงั้นพระพทเจ้าก็อธิบายยกเอาราคาโทสะโมหะขึ้นมาว่าถ้าใจถูกรุมรุมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าบรรเทาลงไปได้แล้วมันก็จะดีอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งสิ่งนี้สามารถที่จะรู้เห็นได้ด้วยตัวเองแต่เวลาพูดกับพวกกาลามะกาลามะก็ศึกษามากเขาสระดับจับฟังมากพระเจ้าก็ถามเลยเอาความโลภใช้ความโลภอันนั้นนะใช้ความโลภอันนี้ใช้คำราคาเหมือนกันนะวลาคนที่เกิดความโลภขึ้นแล้ว อาจจะทําจะพูดจะคิดอะไรเพื่อเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เขบอกเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นมีผลเป็นความทุกข์หรือความสุขก็มีผลความทุกข์คนนั้นก็คิดได้เพราะเขามีการศึกษาระดับมากท่านราศยะไม่เป็นอย่างนั้นคุณจ้า ก, ก็อธิบายให้เลยแต่อาจอธิบายแล้วก็มาสรุปให้ท่านคิดได้เหมือนกันนะฮะบอกว่าเนี่ยมันมันเป็นสันติติโกคือเราเห็นได้ของเราเองและตัวธรรมะตัวผลทั้งหมดนี้ผลทั้งบวกทั้งลบ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยคลัง่งคล่าเป็นเข้ามนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับการสามารถที่จะเชิญชวนให้คนมาพิสูจน์ทดสอบได้ดูได้ทุกยุคทุกสมัยในก็ะปัจจต่างเวริโตโบวินยูหินะฮะที่วินยูชนเท่านั้นนะอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นพูดเรื่องวินยูชนสำนวนในพระสูตรจริงเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จไปโปรดคนท่านเรียกว่าพุทธเวไน ใช้คำว่าพุทธเวไหนหมายความว่างหมายความว่าคนที่พอจะแนะนาให้เกิดความรู้ได้ไม่ใช่ว่าเทศดะ <laughs> เทศดาไม่ได้เรื่องหรอกนะยังตะกี้นี่ยังคุยกับอาจารย์บอกว่ามีหลักสูตรที่เ้าส่งมาให้ตรวจโรมวิะชาการก็ส่งหลักสูตรมาให้ตรวจแล้วอ่านมาเป็นทุกแทนเล <laughs> เด็กมอนหนึ่งนั่นเองนะฮะหลักสูตรนนเรียนอนัตตาเีไตรลักษณ์นนะ นตตาตยรักษ์อริยสัจนะเอาก็าสิจิมาเหมือนกับแพ้ไปลากเกวียนนะอันนั้นมีทางไปได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงถึงพุทธเวไ น, นถึงพุทธเวไนว่าคนนี้มันจะรู้ไหวในเรื่องเหล่านี้ยต้องดูความมาพุทธเวไนคือคนที่จะคนนี้ใช้ธรรมะอะไรถึงจะรู้ได้ เราดูเราเที่ยวพระเจ้าทรงแสดงแกท่านราศียะเี่ยท่านพระเจ้าตายมาชี้ปักปักปักปก็ดูได้ตลอดเลยคนรอบตัวเนี่ยคนเหล่าเนี่ยมีคนอยู่ทุกคนทุกแข่งแต่แนวพวกคนก้าวจ้ำพวกน่ะไอคนที่เรียกว่าคือเลวไม่รู้จะว่ายัางไงที่สมบูรณ์ที่สุดคืออะไรเลี้ยงชีวิตโดยไม่ชอบทําไม่ผลิผลันเลี้ยงได้มันแล้วก็ไม่ทําตัวเองให้เป็นสุขไม่ทําบุญไม่เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นไม่ให้ไม่ทำบุญไม่ทานไอคนพวกนี้เยอะไปเยอะไป ข้างบ้านนายราศียะเองก็มีพระพระเจ้าก็พูดไปธรรมดาธรรมดาก็ตาไต่กันไปเรื่อยๆก็ในที่สุดก็มาสรุปสรุปว่าให้ใช้จินตามยะปัญญานะฮะใช้จินตามยะปัญญาในแนวเดียวกันแต่ว่าทรงเน้นผลว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองกับเป็นผู้ที่วินิูฉุญจะรู้ได้เฉพาะตัวผลจะธรรมะทุกระดับ เราเองอย่าเป็นคนรู้อานิสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันที่ท่านแสดงไว้เนี่ยที่จริงเราเองเป็นคนรู้คนแรกจช่นว่าทรงแสดงอา น, นิสงฆ์เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ล่ะนอกจากเราเราก็รู้ของเราว่าทําไมเราจึงนอนได้อย่างนี้ทําไมหลับเป็นสุขมากทําไมไม่ฝันน่ากลัวรุนแรงเนี่ยก็ดูเออนี่คือผลจากการเจริญเมตตาซึ่งไอ้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้จากการ เรออะไรสราําพันมะวัดเศพคุณคือหมายความว่าฟังไปบ่อยศึกษาไปบ่อยคิดไปบ่อยปฏิบัติไปบ่อยท่านจะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเคยหุนหันเคยฉุนเฉียวเคยรู้อำนาจแก่อารมณ์เคยทนอะไรไม่ได้มันก็ทนได้ขึ้นเยอะนะแล้วก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งสูงขึ้นไปเรื่ดั บ, ดบทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายนะฮะ ตอนสุดท้ายเมื่อทรงชี้ให้เห็นว่าพวกนี้มันเป็นอย่างนี้สันทิติกังสันทิติโกกาลิโกะนะแล้วก็นายราศิยะพรามก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคจาว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นแจ่มแจ้งชัดเจนมากเข้าใจได้ง่ายนี่ผูก้กระชาวบ้านท่านท่านทั้งหลายเห็นว่าผู้กระชาวบ้านล้วนๆแ ล, ล้ง่ายๆไม่มีอะไรมากก็ เมือนกับหงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางซองประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นนะอุปมานี้เรียกว่ามีทุกสูตรจะมีอย่างนี้จะมีแนวนี้คือหมายความว่าคล้ายๆจะเป็นสูตรแต่มาเองยังยังเข้าใจว่าเนื่องจากสมัยนั้นน่ยมันไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นตำราตำราแล้วมันกลายเป็นสูตรไปหมดเลยอะไรก็เป็นสูตรเป็นสูตรไป เช่นยกย่องมาทำมัทเธอนาของพระพุทธเจ้าก็แนวเนี้ยแนวสูตรเนี้ยสูตรสี่อย่างเนี้ยหรืออย่างที่เคยเล่าไปฟังแม้แต่ด่ามันก็ด่าเป็นสูตรมีสูตร10สูตรแปดสูตรสูตรสิบนี่มีสองสูตรนะฮะแล้วก็สูตร8ดนี่มีสูตรหนึ่งคำด่าเองยังเป็นสูตรเลยก็เราก็อาศัยการจําทรงโดยการจําทรงกันแล้วก็มีการกําหนดหมายกันธรรมเทศนาเหมือนหงายของที่คว่ำนะ ของที่คว่ำเนี่ย ก, ก็เห็นได้ชัดแล้วก็เปิดของที่ปิดเราก็เห็นได้ชัดบอกทางไอ้คนหลงทางนี่เห็นได้ชัดประเด็นนี้สิฮะท่านจะเห็นว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยซองประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นฮะไอ้ซองมาซองไปถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นดวงตาในที่นี้คืออะไรคือปัญญาคือปัญญาจากสุขไม่ใช่เป็นคนใจบอดนะมีจำนวนสมัยหนึ่งเกิดขึ้นเรียกใจบอดเป็นคนใจบอดมันไม่รับรู้นะ ไม่รับรู้เหตุผลอะไรเลยยันติบายจะทำชี้แจงแสดงเหตุผลอะไรไม่รับรู้เหมือนกับอะไรโบราณต่างช้กับน้ํารถหัวสากน้ํารถหัวสากหรือตักน้ําบนใบบอลมันมันมันมนกลิ้งกลับหมดอ่ะพวกพวกอะไรพวกว่านอนสอนฟังนะไม่ทําตามอ่ะพวกว่าง่ายสอนง่ายง่ายสอนง่ายแต่ไม่ทําตามก็ไม่ว่าอะไรหรอกฮะแต่ก็ไม่รับ ว่เาเพราะอะไรเพราะพื้นใจมันไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้และมีมีคนเยอะไปนะฮะมีคนเยอะไปอพ่ อ, พ อ, อตาในี่เป็นครูเป็นครูที่ออกจีนดุมากถึงเขาเล่าให้ฟังนะทีหลังพวกครูครูตอนอามาเป็นเด็กเนี่ยพวกครูที่เป็นลูกศิษย์พ่อในจ้องจะเครียดอาตามาจาังจะแก้แค้นมะา อ, อ, อาฆาตและชี้หน้าแล้วมึงเนี่ยมึงกูต้องเครียดมึงไงได้แล้วพ่อมึงตีกูแรงนะี ครูอยู่เรื่อยเลยฮะแต่ว่าใครก็ไม่ได้เขียนเอามาไม่สดอะไรพอทีหลังเนี่ยเอามาไปพบตอนสุดท้ายมา่ก่อนพ่อจะตายเนี่ยตอนนั้นลูกศิษย์ก็อายุห้าหกสิบห้าสิบกว่าแล้วนะฮะแล้วก็พ่อก็หกสิบกว่าแล้วลูกศิษย์อาจารย์มาพ่อก็มานั่งร้องไห้กันอย่างนี้ยอะเลยคนแก่ร้อง่ายกันแท้พ่ออะไรพราะต่างคนในต่างสํานึกว่าถ้าครูไม่ตีไว้คราวนั้นเนี่ยตัวคงไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนี่มันอยู่ลึกจังอะตั้งหลายปีโผล่ขึ้นมาอยู่ลึกจังเลย กว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยตัวครูเองก็จะตายแล้วตัวเองก็จะแก่แล้วแต่มันเกิดสำนึกขึ้นมาได้ทีหลังทำไมนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่สามารถคิดอะไรได้พอโตขึ้นโตขึ้นมันก็คิดได้นี่อะไรปัญญามันอยู่ลึกปัญญามันอยู่ลึกขุดขุดค้นมาไม่ได้เลยเพราะงั้นไอเหตุผลบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าคนถ้าใจบอดหรือตาบอดไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาเนี่ย มันไม่เห็นนะฮะอธิบายยังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นด้วยแต่วันหลังเนี่ยมันมันก็บ่มอยู่นะปัญญาเนี่ยจริงมันก็บดมันก็เก็บอยู่แกมีเชื้อพอวันหลังแกแกค่อยรู้เองเอาใจสายไปหน่อยอาจสายไปหน่อยอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างวิธีเราสอนหนังสือนอนองสือพระอะไรก็เหมือนกันมันมีมาตรการอย่างหนึ่งที่ถึงจุดจุดเราทำอะไรไม่ได้เลยกับพระองคเนี่ย แก้ไขอะไรไม่ได้เลยเรามันมีวิธีอยอู่อีกวิธีหนึ่งแต่เสี่ยงสพประมาทศพประมาทชี้หน้าหน้าอย่างคุณเนี่เกิดอีกสิบชาติ้ะมีทางเรียนได้ อ, ะ, อะไรเนี่ยนะถ้าแกฮึดสู้ขึ้นมาแล้วไปได้ยังไง น, นนะแต่แกโกรธเรานะแกโกรธเร า, เราต้องหลายปีถึงแกนึออก็อพวกนี้มันปัญญาอยู่ลึกต้องใช้ประตักแรงมากเลยแพงโครลงไปเลย เอากระตุกขึ้นมาให้ได้เลยเอาอะไรขึ้นมาใช้ตั้งอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างพระติสะพระติสะลูกอาราพุทธเจ้าตรงนี้รวนมาตลอดตลอดรายการนะเบงมันก็เรียกว่าแล้วก็ญาติใกล้ชิดรพุทธเจ้าเวลาไปนั่งมาเพกนกมาฐานนะเพื่อนนั่งกับมาฐานตัวเองนั่งซา ป, ประงกน้ําหลายไหลพรพุทธเจ้าไปยืนข้างหลังไปยืนในข้างหลังถึงก็ยืนดูตรงนั้นก็ ตกใจเตอบางเงก็เห็นพระพุทธเจ้าก็ตกใจนั่งตัวตรงพระเจ้ารับสั่งแรงไอ้คนมันไม่อายมันไม่อายมันขาดที่เลยมมีความสำนึกมานั่งหลับน้ำลายไหลจะได้มันฮึดสู้มันขัดทยามาน่าใ น, นพวกสักยะยาเหมือนกันฮึดสู้นั่งตรงนั่นเลยฮะจะเริญนวิปัสสนาไปเลยเหมือนกันเอาวันนั้นนะแต่ว่ากว่าจะถึงจุด น, นี้พระพุทธเจ้าก็กลอมมาตั้งนานนะที่จริงท่านตีรวนมาตั้งแต่วบวชใหม่องค์เนี้ยตีรวนตั้งแต่วบวชใหม่น บวชพรรษาแรกยังจําอะไรไม่ได้เลยนั่งวางมาาอาสนะเอกนเนกเขาทำอย่างกับพระเถระนั่นเบ่งมาตลอดแต่พระเจ้าท่านก็รอรอรอรอพอถึงเวลาแทงโครมลงไปเลยเอากระตุกขึ้นมาเลยขัตติยะมานะพวกสากยะเนี่ยกระตุกโครมขึ้นมาเลยท่านก็ขึ้นน ท, นท่านท่านไม่ยอมลุกขึ้นนั่งตัวนั่นไหนนั่งตา เ, เ, เรินกรรมฐานเอาจริงอะไรนี้บรรลุอรหัตที่นั่งนั่นเองที่นั่งตรงนั้นนะ ดูเดียว ม, มันติดอยู่ที่ไหนมันอยู่ลึกไงมันอยู่ลึกไม่ยอมขึ้นมาเลยแต่ว่าก่อนจะกระตุกต้องเราต้องเพาะเชื้ อ, อยางอื่นไปก่อนนะทเพาะเชื่ อ, อยางอื่นไปก่อนพวกนี้เรียกว่าต้องสร้างปัญญาก่อนเพราะถ้าแกไม่มีปัญญาแกไม่เข้าใจครไม่ยอมรับธรรมะนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ทวนกระแสะกิเลสทั้งหมดอย่างที่บอกถ้าหากว่าตาบอดจะแล้วก็จบจึง ธรรมะจึงจึงเป็นเหมือนประเทศที่ส่องไปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาแต่นั้นเองคนมีดวงตาเห็นได้ถ้าไม่มีดวงตาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรหละนี่ก็เป็นประสูตรที่เราจะเห็นว่าเป็นระบบพัฒนาชีวิตแล้วก็ทรงที่จริงกะวิเคราะห์สังคมหมาหดูนะหยิบมาวางให้ดูแต่นั้นเองแล้วก็ทรงยกย่องในแต่ละจุดตำหนิในแต่ละจุดเพื่อให้คนได้สํานึกวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ แล้วก็ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน